หนึ 105. วัชนียะปุคลสันทัศนาว่าด้วยการแสดงบุคคลที่ควรเว้นในวันบุโบสถกรรมข้อหนึ่ิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาริโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยรูปใดยกขึ้นแสดงต้องบัตทุกกฎในบริษัทที่มีศิกขามานานั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสัมเนนนั่งอยู่ด้วยในบริษัทที่มีสัมเนรีนั่งอยู่ด้วย ในบริษัทที่มีภิกษุผู้บอกคืนศิกขานั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปายเโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่มีภิกษุต้องอันติมวัตถุนั่งอยู่ด้วยรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุกกฏภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปายเโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่มีภิกษุถูกสงลงโอเคปณิยรรมเพราะไม่เห็นอาบัต์นั่งอยู่ด้วยรูปใดยกขึ้นแสดง time, พึงปรับอาบัติตามธรรม ในบริษัทที่มีภิกษุถูกส่งลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตินั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาทิโมขึ้นแสดงในบริษัทที่มีภิกษุถูกส่งลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาบนั่งอยู่ด้วยรูปใดยกขึ้นแสดงพึงปรับอาบัติตามธรรมภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาทิโมขึ้นแสดงในบริษัทที่มีบรนดอนั่งอยู่ด้วยรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุกกฎ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 จนพ่อพระโลหิตนั่งอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาทิโมกข์ขึ้นแสดงในบริษัทที่มีอุปโตพยัญชนกนั่งอยู่ด้วยรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอบัตทกุกฏเรื่องปริวาสิกกับปาริสิทธิภิกษุทั้งหลายไม่พึงทําอุโบสถ ด, ด้วยการให้ปริวาสิกปาริสทธิเว้นแต่บริษัทยังไม่ลุกขึ้นภิกษุทั้งหลาย อันหนึง่งไม่พึงทำอุโบสถในวันไม่ใช่วันอุโบสถเว้นแต่วันที่สงสามคัคคีภานวันที่สามจบอุพโภสถาคันธากะที่สองจบในคันธากะนี้มีแปดสิบหกเรื่อง